พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่12มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าเพ่งโทษเขาใจเราเป็นทุกข์วันนี้เป็นวันที่12สอง ม ก, กราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่าเดือน2เดือน1เดือน2เพนวันนี้เป็นวันอุโบสถเราพวกเราเพิ่งลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้ที่สูตรพระปฏิโมกข์พระทั้งหมด46รูปที่ลงอุโบสถในวันนี้ ในช่วงนี้วัดของเราก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นที่มีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากน้ำท่วมพวกเราก็ได้ซ่อมแซมเซนาชนะเหมือนกับหลังต่อหลังแตนที่มันมีพายุกระหนำ่ำพวกต่อแตนก็ต้อง ทำลังของตนเองปิดหลังหลวงหลังของตนเองให้อยู่ในสภาพนี่ก็เหมือนกันพวกเราเป็นพระมีวัดว า, าศาสนามีวัดในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพวกพระในวัดก็ต้องช่วยกันปิดโรงหลังปิดรูทําให้อยู่ในสภาพแต่เราก็ไม่ได้ทาให้หู้หลาโอหา อ, อะไรหรอกเพียงแต่อยู่ให้ในสภาพ อยู่ในให้ความผาสุก ข, ของหมู่คณะของคณะสงฆ์เพราะนั้นให้ช่วยช่วยกันคิดใครมีหน้าที่อะไรผู้ที่เป็นช่างพื่อที่จะทางานได้ก็เอาไปช่วยกันผู้ที่ดูแลทางวัดข้างในก็จะให้ขาดตกบกพร่องทํางานเลื่อมกันพวกทางนอกเราก็รู้และมันงานหนัก แต่พวกอยู่ข้างในเนี่ก็เราก็ต้องทำหนักขึ้นไปบ้างการปัดกวาดทาความสะอาดรับผิดชอบร่วมกันพี่ชายบางคนหนึ่งหนักตัวเองก็ยังเออละเหย อ, อย่างเก่าแบบไม่คิดไม่อ่านนั้นใช้ไม่ได้นะไปอยู่ในสถ า, านที่ใดหนักหนักหมด อ, อยู่ในวัดของเราก็หนักวัดปล่อยไหลอยู่แบบไม่คิดไม่อ่าน อยู่แบบชังกระตายเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนทุกท่านคิดนะเพราะว่าผมสอนลูกน้องบริวารสองกรูกหลานพระทุกองค์ให้คิดไม่ใช่ว่าสอนให้อยู่แบบไม่คิดไม่อ่านพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผลศาสนาปัญญาแล้วก็เมื่อตกลงกันได้ยังไงแล้วก็ต้องลงมือ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอันนี้คือการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักขนาดการทํางานก็ยังไม่รู้จักการทํางานเหลื่อมกัดคนไหนหนักก็บอกให้หนักตัวเองก็เช่อเออแล้วเหย้ยเหมือนถ้าเคยทยํามายังไงทําอย่างเก่าอันนั้นใช้ไม่ได้นะไปอยู่นสถานที่ใดเอเวลาเขาเออ ดันแบกทับประสัมระขึ้นเขาตัวเองก็ล้อแหละอย่างเก่ามันจะใช้ได้หรือเหมือนกับวัวล้อวัวเกวียนขนาดเป็นสัตว์ทร่ฉาดเวลามันจะดันขึ้นเขามันก็ต้องแข็งแข็งขันช่วยการดันถํามันถึงที่ลาบแล้วก็เดินตามปกติถํามันจะขึ้นเขาที่เนินแล้วมันก็ต้อง เร่งกำลังข้องมันขึ้นอย่างสุดๆเหมือนกันเพื่อให้ทับเครื่องทับผสมพระที่มันลากล้อลากเกวียนขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางนี้ก็เหมือนกันมันต้องมีหนักมีเบาเราจะเบาเหมือนตะเก่าเหมือนเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้นะต้องทำหน้าที่ดูทำความสะอาดห้องน้ำห้องถ่า ซาหลวงซาลาไอพวกที่ทำงานือเอาไปต้องคิดพอได้ทำจุดนั้นแล้วแต่ผู้ทำรังงานก็เหมือนกันไปอาศัยแต่ทำงานเด่นๆนั้นๆอยู่ทางโน้นก็ไม่ได้ต้องทำงานต้องช่วยกันจริงจังนี่แหละอันนี้ก็คือการการทำการงานภายในวัดของเราแต่เมื่อจบแล้วก็คือจบ แต่เมื่อชุกเมืองหนักเมื่องานหนักก็ต้องหนักแต่ผมคิดว่าคงอีกไม่นานผมดูดูแล้วคิดไม่นานเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําให้งับทำงานทั้งแรงทั้งฝนทั้งแรงทั้งปีไม่ใช่เมื่อจําเป็นเราก็ทำและเมื่อหมดความจําเป็นเราก็หยุดพักอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก่อนหน้านี้กงานของเราก็ไม่เห็น มีอะไรแต่พอมันมีขึ้นมาแล้วกันนะต้องเคียงบ่าเคียงไหล่กันช่วยๆกันคิดนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็มองมองอยู่เหมือนกันนะั่นตลอดถึงพวกที่อยู่เวนอันไหนคือเวนเวนศาลาเวนต่มน้ำเวน ที่พวกเราเลี้ยงดูกันแต่ทึ้ยังไงก็ตามนะอย่าไปมั่วสุมนะต้องระมัดระวังนะการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันมันต้องแบ่งส่วนอันไหนเป็นอันไหนพวกเราทันทั้งหลายนะผู้ใหญ่นะพระผู้ใหญ่นะต้องสายตาจับดูนะถ้าอันไหนผิดปกติแล้วที่บอกผมนะอ ย, อยู่ด้วยกันนะ อย่าไม่ใช่ฆ่าไม่ใช่น้าที่นักที่ไม่ใช่ฆ่าเกรงใจกันกลัวเขาจะว่าให้กลัวพระน้อยพระหนุ่มจะว่าให้อย่าไปเกรงใจคำว่าเกรงใจไม่มีในหลักธรรมวินัยตรงไหนตรงนั้นมันผิดก็ต้องว่าตามผิดมันจะถูกได้ยังไงมันผิดพระน้อยพะหนุ่มเหมือนกันจะมาแล้วจะมาเป็นใหญ่กว่าพระที่มีอายุพรรษาได้เหรอเราก็ต้องฟัง ฟังตามเหตุตามผลแต่อายุพรรษาก็เหมือนกันเราก็ไม่ใช่ว่าใช้ทิฏฐิมานะเราก็ต้องใช้หลักพระธรรมวินัยเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็ต้องพรรษาต้องเหนือกว่าพระน้อยผนุ่มจะทะลึงขึ้นมาแสดงอกับกิริยามันไม่ได้ทางนั้นแหละมันไปดูในกฎขนาดในสิบในยาในร้อยเขาก็ยังมีในโลกทางโลก วัดวาศาสานามันก็อย่างนั้นเหมือนกันมันต้องตามขั้นตอนในการดูแลการเป็นอยู่ครูน้อยครูใหญ่เห็นไหมได้ศึกษาไหมได้ฟังไหมนายพลทหารในสิบในจ่าในร้อยในพันในพลขั้นพลกวต่อไปก็ต้องเคารพศีกันในเมื่อฟังนายพลผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องสั่งลงไป ไม่ฟังก็ต้องฟังเพราะอะไรเพราะตัวเองมีตำแหน่งน้อยกว่าถ้ามีตัวเองมีตำแหน่งสูงขึ้นเอาทำหน้าที่นั้นได้นี่แหละมันเป็นขั้นตอนอยู่ในโลกยอย่าไปก้าวไกลกันได้อย่างไรต้องเคารพซึ่งกันและกันต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่การอยู่ด้วยกันตีเสมอกันได้อย่างไง ถึงจะมีความรู้ทางโลกทางรู้ความโลกทางโลกไม่ใช่ความความรู้ทางธรรมถึงจะเป็นลูกทา ง, ทางธรรมก็เถิะถึงจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แต่องค์ที่ไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ก็คือเป็นพระผู้เป็นสําเร็จเป็นพระหรหันต์ก็ต้องเคารพเคารพพระปุทุชนเพราะอะไรเพราะจําเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาเหนือกว่าถ้าหาว่าผู้เป็นพระอรหันต์แล้วนิสัยยิ่งอ่อนน้ อ, ถอมถ่อมตอนอีกต่างหาก เว้นเสียทต่ว่าพระพุ้ถชนแสดงกิเลสออกมาแบบนอกรูนอกทางแสดงออกมาแบบไม่มีธรรมวินัยอ น, นัน์พระอรหันต์ท่านจะมองดูแหละหัวเด็ดตีนขาดจุดนั้นท่านจะพูดเสียงเปี้ยงออกไปเลยเพราะมันผิดนะมันผิดธรรมวินัยนะพระอรหันต์ผู้มีธรรมในใจยอมรับไปได้ เพราะมันผิดนะแต่ถ้าเอาว่าท่านปร ะ, ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมวินยัยถึงจะเป็นพระปุตุชน อ, อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่หาข้อผิดไม่ได้ถึงจะเป็นพระหารก็ต้องน้อมรับต้องยอมรับเพราะ ห, หลายเพราะอยู่เป็นท่านเป็นผู้อยู่ในศีลอยูเอ่เพราะนั้นอันนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเคารพเค า, ารพกันเค า, ารพในศีลและวินยัยซึ่งกันและกัน พอในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธท่านเน้นเรื่องศีลเน้นถึงเรื่องถึงวินยัยไม่ใช่เน้นอย่างอื่นนะไม่ใช่เน้นยศถาบรรดาจักไม่ใช่ เ, เน้น เ, เป็นครวาาัาต์ญาติโยมเป็นได้รับเป็นผู้ใหญ่มาในแผ่นดิน เ, เป็นนายอำเภอผู้ว่าแล้วเข้ามาบวช จะเป็นใหญ่กว่าพระเนะี่ยไม่ได้ก็ต้องนั่งหลังพระที่บวชในในวันนั้นที่นั่งต่อกันไปจะมานั่งก่อนไม่ได้นี่ยท่านแสด ง, ง, งว่าท่านถือว่าพระที่บวชก่อนต้องมีสิทธิ์เป็นพระวินัยเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเ่าทั้งปวงเหล่านี้นะ่ะถ้าเราถ้าคนมีธรรมถ้าคนมีธรรมในใจ จะต้องสํานึกได้ว่าอันไหนควรมิควรอย่างไรเพรนั่นให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะจะไปหาตําหนิคนอื่นเขาให้ตําหนิโจตัวเองไว้กอดทําไมเราจึงมาเกิดทําไมทําไมเราจึงมาเกิดพ่อแม่ให้ให้เรามาเกิดอย่างนั้นใช่ไหมตัวเองเข้ามาทําไม มาเกิดกับพ่อแม่นั้นพ่อแม่ก็ทุกจนอยู่แล้วแต่ทำไมเราเสือกมาเกิดกับท่านทําไมอพูดอย่างนั้นออทําไมอพ่อแม่ก็ทุกจนอยู่แล้วทําไมบ้านต้องมองตนเองสิอย่าไปหามองคนอื่นถ้ามองคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไอตัวเองเน่ยไม่มองตนเองทําไมเราจึงมาเกิด ทำไมเราจึงมาเป็นอย่างนี้ทำทำไมเราจึงไม่ตัดกิเลสพ้นทุกขตั้งแต่ก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์พระองค์มาตรัสในโลกทําไมเราจึงไม่พ้นทุกทําไมเราจึงเสื่อมมาถึงขนาดนี้ต้องถามตัวเองอย่างนั้นสิอันไห้เราให้มองตนเองพวกเราจะไปมองว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนั้นถูกคนนั้นผิดเอมันผิดมันถูกมันก็จริงอยู่ แต่เราไม่ควรจะใส่ใจจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนทะเลาะวิวาทกันจงลงหมัดล ง, ม, ดลงมวยกันกัดกันจนหมายิ่งกว่าหมามันไม่ใช่นะมันไม่ถูกนะไม่ใช่เรื่องของพระถ้าเรื่องของพระแล้วนะต้องโอปัญยโกมองตนเองไว้ก่อนอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนมีอะไรเกิดขึ้นอือเหตุอเพรพอมันเป็นอย่างนี้พอเรามาเกิดหนอ เพราะเราไม่เกิดแล้วมันก็หมดเรื่องใช่ไหมถ้าเราเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ายิ่งจะเจอคนนี้ยิ่งหนักคนนี้อีกเนี่ยแต่เราเห็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็าตามเอเรื่องการทะเลาะวิวาท ก, ากันก็ตามเรื่องสัจสาลายสิงเรื่องที่เขาถ่ายภาพให้ฟังเห็นรูปในสื่อต่างๆเรื่องสิงเรื่องเสือเรื่อง สิงโตเรื่องวัวเรื่องควายปลาลักษณะอย่างนั้นเรืองเลีงข้างบางชนิดที่มันกัดกันศารลคดีเออถ้าเรามีพบมีชาติมันก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะจะทํำยังไงถ้าเราเกิดไปถ้าเรามีพบมีชาติไม่พบใดก็ต้องชาติหนึ่งมันต้องเกิดอย่างนั้นจะทํำยังไงละข่าจึงจะไม่เกิดตามแนวแถวของพุทธะ ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจะทํำยังไงเราจรึงจะไม่เกิดมีทางคือเราชําระกิเลสเราชําระกิเลสคือสำลักกายวาจาใจของเร า, เราชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจนั้นนะจะไม่มาเกิดถ้าไม่มาเกิดแล้วจะไม่จะไม่พบไม่เจอสิ่งเหล่านั้นถ้าหาว่าเรามาพบมาเกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปคิดเลยว่ามันจะพ้นหลีก หลีหนีพ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไม่ครั้งไหนก็ต้องครั้งหนึ่งละ่ะไม่คราวเดยกก็ต้องคราวหนึ่งเกิดมาจะให้สี่เวลาตั้งแต่วันเกิดมาเขาเอาอกเอาใจมาตลอดอพอเขาเอาอกเอาใจตัวเองก็ลืมตัวอผลที่สุดก็พอเขาเอาอกเอาใจขึ้นมาก็ลืมตัวเนี่ยพ่อแม่เอาใจตัวเองก็ขึ้นมากันอารวาัสตีงวงตีงาด่านู้นด่านี่เขาก็ยแซ่หัวดวเอ็ก ออย่างน้อยเขากันพ่อแม่ใช้เอา อ, อกเอาใจแต่ออกไปข้างนอกมาสิเขาไม่ได้ว่าลนะ่ะพอพ้นจากตาพ่อแม่เท่านั้นแนหะสันหน้าแข้งเขานะ่ะจะเอาทีไหนเนี่ยเออมันจะมันจะสีไว้เลยไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้นะะนอกจากหลักเหตุผลเท่านั้นละ่ะเอถ้าเราทำํำถูกตามหลักเหตุผลแล้วไปนักสถานที่ใด เออ่ อ, อนน้อมถ่อมตนเคารพค า, ารวะรู้จักกาลเทสะการจัสถานที่บุคคลในเมื่อเขาแข็งแข็งเพระเหตุแต่พระแข็งไม่มีเหตุมีผลเราก็ต้องลบเอลบอถ้าพอจะพูดแนะนําสั่งสอนบอกเราแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นถ้าดูรู้แล้วแสดงความคิดเขายังไ้เขาก็ไม่ฟังเราจะแสดงเราจะไปแสดงความคิดเห็นให้โง่ทําไมเมื่อแสดงความคิดเห็นไปเขาเราก็โง่ทีสิ ไม่รู้จบไม่รู้จักกาละเทสะแสดงความคิดเห็นกับคนขี้เล่ากับคนเมาคนบ้านะแสดงไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียหายเราอีกต่างหากแล้วจะแสดงไปทําไม เ, เราก็ต้องรู้จักรู้จักหลบรู้จักกลีดเอาตัวรอดยดเรารพูดนะพูดไปลราได้อะไรไมันมีแต่เสียหอยในเมื่อเสียหายไปแล้ว ม, มันเสียหายใคร อบางทีมันเสียหายวงการก็มีบางทีไปทะเลาะกันเสียเหายวงการพระพุทธศาสนาเสียหายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอทั้งที่สององค์ทะเลาะกันต่อยตีกันตีกันมันแล้วก็แล้วแต่ว่าผลออกมาได้สิพระวัดป่านาคําน้อยโชกต่อยตีกันจนหัวล้างข้างแตกเนะี่ยเสียหายวัดป่าเนะี่ยแล้วใครจะมาวัดเลยนี่ แต่สองอกไม่รู้หายไปแล้วตีกันแล้วหายไปแล้วแต่มันเสียหายใครเนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะคิดทําอะไรพูดอะไรทําอะไรออกไปเราต้องคิดถึงพระพุทธศาสนาต้องคิดถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาท่านรักษามโนมนานเพื่อศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเคารพเลื่อมใสถ้าเราทําอย่างนั้นเขาจะเคารพนับถือเลื่อมใสไหม ถ้าเราทำเร็วๆอย่างนั้นะเราเขาจะเคารพนับถือเลื่อมใสไหมใครจะนับถือเลื่อมใสนิสัยหยาบๆนิสัยเร็วๆนิสัยหมากัดกันเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะให้ทั้งหลายทั้งปวงหนะลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะต้งพูดแบบหลวงพ่อพูดแบบสุดโต่งให้พระลูกพาหลานฟังเพื่อเป็นแนวทางเพราะพวกท่านอนาคตยังไกลยังเป็นผ้าน้อยผ้านุ่ม อารมณ์ร้อนร้อนไปเพื่ออะไรมันได้อะไรมันเสียหรือมันได้นี่ยสิ่งเหล่านั้นเราต้องบวกลบคูณหารทั้งหมดทํามันร้อนไร้ประโยชน์จะทําทําไมเพราะฉะนั้นเราบวชมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสังสมบรรมัลมีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราไม่ได้บวชมาเพื่ออย่าง อ, างอื่นนะเราเป็นพระ ในพุทธศาสนาพระเป็นผู้ประเสริฐสมณะเป็นผู้สงบพระเป็นผู้ประเสริฐอริยะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแต่คนเนอยากจะได้นะอยากจะได้อริยะอยากเป็นพระอริยะเอ่อเพอเพ้อยังไม่ได้จิตภาวนาไม่เท่าไหร่ก็ อ, อยากเป็นอริยะะอยากจะเป็นพระอยากจะเป็นสมณะ พวกเราเนี่เป็นส ม, มณะแต่มันสงบไหมล่ะเป็นพระเนะี่ผู้ประเสริฐประเสริฐจริงไหมให้โอรปรณิโกนองมองตนเองอยู่เสมอเราเป็นพระสมบูรณ์หรือยังเราเป็นส ม, มณะผู้สงบหรือยังเราเป็นอริยะผู้ไม่เบียดเบียนหรือยังเนี่ยพอผมไปอ่านศึกษาในพระไตรปิฎกเรื่องหนึ่งนึกดูดูก็ พระพุทธเจ้าท่านก็ท่านสอดคนนะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตนถะีท่านเล่งยานดูสัตวโลกไปเห็นนายนายอริยะเนะี่ยชื่ออริยะนะเนี่ยเขามีอุปนิสัยจะได้โสดานะพระโสดานะพร ะ, นะพระองก็ไปตอนเช้ามาก็ไปบินท่าบาทพร้อมกับพระสงก ท่นคงจะเดินเฉเดตไปที่ใดที่หนึ่งนะที่หมู่ใหญ่ท่านก็นผ่านไปที่นั่นไปเห็นนายอริย ะ, ะกําลังตกเบ็ดอยู่ไปเห็นเห็นนายอริย ะ, ะตกเบ็ดตอนนี้พอเห็นพระพุทธเจ้ามาพร้อมกับพระสงฆ์นายอริยะก็ทิ้งคันเบ็ดพอทิ้งขันเบ็ดก็มายืนมายืนมายืนอยู่ข้างถนน พระพุทธองค์ก่อหยุดยืนอีกเหมือนกันเพราะท่านจะโปรดเขาเนะี่ยแต่เขาไม่รู้หรอกเขาจะโปรดแต่ก็แปลกนะพระพุทธเจ้าท่านก่อนพอเสร็จแล้วท่านก็ยืนเสร็จแล้วท่านก็ถามท่านเป็นใครทั้งที่ท่านถามลูกศิษยนะ์อย่างพวกเราถามอย่างนี้แหละท่านเป็นใครอผมเป็นท่านน้อยเออผมเป็นท่านทวีปลักษณะอย่างงั้นลนะ่ะ ทั้งที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะโปรดคนเนี่ยท่านทํำแปลกๆเหมือนกันนะท่านอันนี้ท่านก็ถามนะท่านเป็นใครผมเป็นสาริบุตรครับพระสาริบุตรครับผมเป็นพระโมคคะราครับอ่าแต่ท่านก็ถามไปนายอริยะก็คิดว่ า, าพระพุทธเจ้าจะถามเราหรือเปล่าน่าอยากจะให้พระพุทธเจ้าถามตัวเองเหมือนกัน พรองค์ก็รู้ว่าเขาใจะอยากให้ถามเขาก็ยืนด้วยเธอเป็นใครผมชื่ออริยะครับเพราะพระพุทธเจา้าบอกว่าคําว่าอริยะคํานี้แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเธอยังเบียดเบียนสัตว์อยู่ไม่ใช่อริยะเข้าใจไหมถ้าว่าเธอเบียดเบียนมวมวลชนหมูชนอยู่เอารัดเอาเปรียบมวลชนหมูชนอยู่ ก็ยังไม่จารว่าเป็นอริยะอันนี้เธอยังฆ่าสัตว์อยู่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่จะเป็นอริยะได้อย่างไรเธอจะต้องเป็นอริยะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียนสัตว์อื่นต้องช่วยเหลือชุมชนสังคมจัดยังจึงจารว่าเป็นอริยะได้พอฟังเท่านั้นคนนั้นเขา คงจะเทศชนะอีกต่อหนึ่งเขาได้สําเร็จพระโสดานียเพราะเขามีอุปนิสัยอยู่แล้ว น, นี่แหละคนเราเนี่ยขนาดไปตกเบ็ดก็ยังอยากจะให้พระพุทธเจ้าเรียกตัวเองว่าอริยะเนีเปรี้ยว่าผู้ไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระเปรว่าผู้ประเสริฐพระเปรว่าผู้ดํารงไว้สิ่งคุณงามความดี ส ม, มณะแปลว่าผู้สงบสงบกายวาจาสงบใจนี่แหละให้พวกเราทุกทุกท่านให้บำเพ็ญคุณงามความดีบวชมาทั้งทีอย่าได้เสียท่าสเสียทีในการบวชพอบวชเข้ามาแล้วอย่าไปเพ่งนอกอย่าไปเพ่งว่าคนนั่นไม่ดีคนนี้นไม่ดีให้เพ่งเข้ามาหาตัวเองทำไมเราจึงมาเกิดที่ลงพ่อพูด ถ้าเราไม่มาเกิดเป็น พ, พระพระหันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ัตป่านะเราจะมาคิดอย่างนี้ได้ไหมที่เรามาคิดอย่างนี้กับเพราะเราเป็นพระ พ, พระพุทุชนอยู่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อทําไมเราไม่ชําระจุดนั้น่ะออถ้าหาว่าเราไม่ชําระในเดียวนี้เราเกิดไปเกิดในศาสนาพระศีอารนพระศรีอริยะเมตไตร เราก็จะตำหนิคนอื่นอีกออในเมื่อเราชำระกิเลสภายในใจของเราหมดกิเลสในเดียวนี้นะเป็นพระหานะเข้าสู่นิพพานนะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเกิดในศาสนาของภาษีระยะเมตรไตรพอหมดกิเลสแล้วนะเราก็เข้าสู่นิพพานไปเลยนะเ อ, อถ้าวันเรายังไปเกิดอีกนั่นนะทะเลถลายไปเลื่อด่าไปเรื่อยมองหน้าไปเรื่อยว่าเขาเลวไ ป, ไปเรนะื่อยเ่ ทำไมไม่มองเลวความเลวของตนเอง เ, อเราเลวขนาดไหนะยังไปทะเลถลายไปอย่างนั้นวันนั้นอย่ามองคนอื่นให้มองตนเองไว้ดีกว่านะอให้มองสิ่งที่มันไม่ดีในใจของเราไว้ดีกว่าถ้ามองอถ้ามองตัวเองนะมันจะมีจุดแก้ไขนะถ้ามองคนอื่นนะไม่มีไม่มีจุดแก้ไขนะไปแก้ไขคนอื่นมันยากนะประถองให้พวกเราทุกทุกท่านนะ ใ น, นที่พูดท้่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะนนะเรื่องวิทย์ใเรื่องกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกนะถ้าเรามีแต่เพ่งนอกออกไปเรื่อยๆนะมีแต่ความเดือดร้อนนะในอยู่ตัวเองนะไม่ใช่เดือดร้อนหมูนะ่คณะตัวเองนะเดือดร้อนถ้าเราสงบระงับในตัวเองนะั้นนะตัวเองร่มเย็นเป็นสุขใครจะเดือดร้อนอย่างไงก็มันเรื่องของโลกเราช่วยไม่ได้แต่ถ้าว่าเรา พอที่จะช่วยเขาได้ครับมีแนะนําสั่งสอนแต่เขาไม่ฟังนะเราก็ต้องอุเบกขาอีกเหมือนกันเราจะไปทุกเป็นร้อนกับเขาก็าไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหะธรรมะของพระพุทธเจ้า ม, มีมีหลายอย่างมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเพราะฉะนั้นทำให้พวกเราจะใช้บทไหนมาประพฤติปฏิบัติในตัวของเรานะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกษ